กฟังก็ต้องมีเสียงแต่ก่อนอยู่ที่นี่ไม่เคยมีเครื่องขยายเสียงก็สราก็หลังเดิมนี่แหละแต่ว่ามันก็ชินกับความพูดเสียงธรรมดาฟังก็ฟังเสียงธรรมดาเดี๋ยวนี้เมื่อหูมันชินตกเสียงดังล้วมันก็ก็ด้านไปนิดหน่อยตาก็วองการเมืม่ออยู่กับแสง นีออนเข า, ขาวๆนานๆตาก็ไม่ค่อยจะดีไม่แข็งแรงยันเราไปอยู่ในถ้ำยันแรกก็เดินอยู่ข้างนอกพอเข้าไปถ้ำเราก็มืดมองไม่เห็นแต่วิธีเข้าถ้านั่นให้หลับตาเขา้าถ้าไม่มีไฟฉายให้หลับตาเข้าไปเลื่นตาอยู่ข้างในถา้ามันจะเห็น กว่าที่เราลืนตาจากข้างนอกแสงสว่างเข้าไปในถ้ำมันจะมืดทันทีเลยมันปรับตัวไม่ทันการใช้ชีวิตของเราก็หลายอย่างที่มีส่วนประกอบความสุขความทุกข์ที่มันเกิดจากตายจากใจถ้ามีหึกหัดตอนนั่นบ้างเราก็จะเห็นช่องเห็นทางเหมือนกันเห็นจริงไปสิบ เห็นทุกเห็นเหตุที่เกิดทุกเห็นความดับทุกได้ถ้าเราสังเกตในชีวิตของเรามันมีสิ่งบ่งบอกผิดถูกอยู่โดยเพราะสติสมชัญญะเหมือนเลนของชีวิตที่เราปรกคัดให้เป็นทำให้เป็นอยู่เนี่ยมันรอบด้านแล้วก็มีการช่วยให้สติงอกงามได้หลายอย่าง เช่นรวมทุกเกิดกับใจก็ไม่เป็นไรไว้ก่อนอย่าไปเอะใจอย่าไปคิดไหลที่มันกระทบสองโตทุกมันก็มีแล้วแต่ใจก็ยังให้ไม่รู้จักปรับแล้วก็สิ่งแวดล้อมไม่ค่อยมีมันก็โดดเดี่ยวจนกรอกได้เราจึงมองหล า, ายด้าน มีแนวร่วมมีกพลังร่วมให้ของหน่อไก่เป็นของเบาไม่เป็นไรช่างหัวมันเกี่วยวกับเสียงก็ช่างหัวมันได้เกี่วยวกับอาลมก็ช่างหัวมันได้เกี่วยวกับปิ่งก็ช่างหัวมันเกี่วยวกับรถก็ช่างหัวมันอย่าไปจริงจังกับสิ่งต่างๆมันจะเป็นศิรพุทธความทุกข์เป็นความทุกข์ เป็นศิลพจ์ได้ความโกรธเป็นความโกรธเป็นศิลพจนได้ความผิดเป็นความผิดเป็นศิลพจน์ได้เพราะโสลาบรลเบื้องต้นทำร้ายศิลพจน์ตัวนี้ลงได้ให้มันเชื่อมแข็งอยาวันไหวฝึกตนสอนตนมีโอกาสที่เราจะต้องฝึกอยู่ทุกเวลาเพราะลูกก็ดีน้อก็ดีมันเป็น นทุกคนหนึ่งก็วอดอถ้าเราอยู่ดีๆมีสติจนเห็นความเป็นจริงของลูกของนามว่ามันเป็นของทุกข์แคนหนึ่งจนพระพุทธเจ้าได้เห็นว่าปัดโทตื่นทุกข์เจก่อนไม่ค่อยตื่นนั้นด้านพอใส่ใจรู้สักหน่อยก็ตื่นพุทธโทปัดโทตื่นทุกข์ เมื s, them, you, ่อตูนทุกแล้วก็ไม่ด้านในความทุกนิดหน่อยก็ใส่ใจสักหน่อยแต่บางทีทุกมันมีสิ่งที่บดบังไว้คือทุกของกายอิริบทบังเอาไว้ยืนเดินนั่งนอนขู่เหยื่อเทื่ยวนไว้อันนี้ถือไดว่าอริบทบังไม่เห็นตามความจริงถ้าไม่มีอริบทบัง ให้มันบาดชื้อๆลงดูเราก็จะต้องรู้จักแก้ไขเดี๋ยวนี้เรานั่งนานก็ยืนขึ้นเรานั่งท่านี่ก็พิกท่านั้นเรานอนนานก็ลุกเราเหิวก็จินข้าวเราอันรอนก็อาบน้ำอา่านั่งก็รีบดที่มันบังไว้บางทีไม่เห็นแจ้งถ้าเราเห็นแจ้งสักหน่อยไม่ต้องอาศัยอะไรอาศัยในตัวมันเองมันก็มีความเพียบเพียงอยู่ในนั้น กายกี้กัทุกทุกของกายเจติจะทุกทุกของกิ จ, จกกกมันก็มีอยู่ในตัวมันโดยเพราะมนความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีคุณเอาค่าเป็นสาวคนสารพัดถ้าเห็นทุกก็เห็นตัวนี้เหตุทด่เกิดทุ ก, ก็เห็นตัวนี้วิธีที่ดับทุ ก, ก็จะดับตรงนี้อันเดียวกันเลยเรียกว่าเห็นของจริงอันประเสริฐคือเห็นอริยสัจสี่ แล้วก็ดำเนินไปตามหลักของอริสัจิตเห็นแล้วก็ไม่ใช่ยอมจนอนํานวนเห็นเหตุมันด้วยนั่นก็แม่เลี้ยงเราอ่อนโลกน้อยของตนเวลาโลกร้องไห้มันหิวมันก็ร้องไห้มันเจ็บปวดก็ร้องไห้ปวดหนักปวดโบาก็ร้องไห้แค่แม่ที่สังเกต ถ้ามันร่องแบบนี้แสดงว่ามีอะไรกัดมันหรือมีการเจ็บปวดตรงหน่อยหาอย่าเกี่ยวข้องหาสิ่งเกี่ยวข้องให้ถูกต้องบางทีมันร่องแบบนี้สังเขียนดูก็เหวกรั ว, วนี่มันอาจจะมีของกัดมีสิ่งกัดมันต้องเปิดนวดนวดเปิดนี่ดูก็ไปเห็นงวดก็ดมาต่อยงวดกระต่อยกัดหาเหตุมัน เหตุที่ลูกน้อยร้องนี่อ่ะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนช่วยกันฮะรู้ที่นอนหมอนง่วงเห็นมดมาต่อยกิดลูกน้อยอยู่รีบออกเห็นเหตุที่เกิดทุกข์เราดับออกมันได้แล้วเอายามาใส่วันเทาให้กะมิ่นว่างยาหม่องว่างมันก็หยุดร้องให้ ลราสถานนั้นมันก็มีความชำนิชำนานเพิเพ่มขึ้นมการดูแลเป็นปริญญาโรคโรคเข้าไปอีกเช่นเรามีทุกเมื่อไม่ยอมให้มันทุกนวดด้วนให้รู้จักมันก็จะรู้จักหาต่อไปมันก็จะไม่จนต่อความทุกข์มันก็อยู่ในตัวมันอาศัย ความใชม้ีวิตชาวนาอาศัยความผูกขนตนเองยับยั้งจังจิตไม่ผุนผันดูดีๆหรือเสมือนกับเราผิดป่วยไปหาหมอการดูโรคเนี่ยสำคัญแต่ว่าการใช้ ย, ยาเนี่ยไม่ต่างกันเมื่อดูโรครู้จั ก, จกโรคแล้วใช้ ย, ยาถูกต้องถ้าสมมุิฐานของโรคไม่เห็นแจ้งวิธัยชไม่ดีก็รักษาไม่ถูกโรค โลกก็ไม่หายการดูโลกสําคัญของการเป็นหงอแต่การใช่ยานั้ น, เ ป, น, นเป็นหลักสอนอยู่แล้วเป็นหลักสอนที่เรียนมากันแล้วเหตสัดสาดหรืออะไรต่างๆเช่นกายก็มีกายวิภาคศา ส, ต ร, สตร์พาตัดกันมาแล้วเอาศกโอชีวิตของคนของสัตว์พา่าลองดูแล้วอันเดียวกันลู่อย่างเดียวกัน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 กอยอนปชนาสติปัฏฐานที่มันเกิดขึ้นเราก็เห็นกันอยู่ทุกคนมีกายเราอย่าไปสนใจเรื่องอื่นเรามาดูดูที่นี่ดูที่นี่ให้เห็นที่นี่เห็นอะไรเกิดขึ้นที่นี่ลู่อะไรที่เกิดขึ้นที่นี่วิธีเกี่ยวกับการสิงใดที่เกิดขึ้นที่นี่ลู่หมดลู่โขลกลู่ท่วน เป็นธรรมชาติอย่างไรเป็นนาการอย่างไรที่มันเกิดขึ้นกับกายไม่ใช่เอามาเป็นตัวเป็นตนโดยทีเดียวมันสุขก็เป็นสุขเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์กายเป็นเีตุที่เกิดทุกข์กายเป็นเหตุที่เกิดสุขมันก็มีเป็นลูกของกายถ้ากายเป็นทุกข์กายเป็นสุขตัวลูกของกายใจก็เป็นทุกข์ ใจก็เป็นสุขเป็นโลกของกิจจาจถ้าศึกษาแล้วมันหายได้อันสุขเป็นทุกข์ที่มีกับกายกับใจเดี๋ยมันหายได้แต่ ว, ว่าบุถุชนคือคนป่วยเพรอะเลหันคือคนหายป่วยแล้วว่าสุขว่าทุกข์ที่เกิดกับกายกับใจจะไม่มีเลยมีอะไรมีแต่ธรรมชาติมีแต่อาการเบาๆนิดหน่อยไม่หนัก ไม่แสดงการหัวโลกไม่แสดงการลองให้เพราะความสุขความทุกข์น้อยแล้วก็หลอกเราไม่ได้อันกายอันใจเนี่ยโดยพูดอยู่เส ม, มอว่าคนหลกไม่กลัวผีหลกไม่กลัวกลัวแต่ตัวเองหลอกตัวเองตัวที่ไหนก็หลอกได้อันตัวเราเนี่ยอันคนหลอกมันมีบางครั้งบางคราวถ้ามีผีหลอกมันก็มีเป็นบางครั้งบางคราวถ้ามันมีนะ่ะ บางทีสานที่บางทีก็กลัวถ่าความกลัวมากๆก็หลงทิศหลงทางทำให้เจ็บแค่ติวผวดผื่อยด่อะไรนําเกิดขึ้นก็คือเรานี่แหละโลกตัวเราสำคัญเห็นผิดไปมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดไ ป, เ, ดไปเอาเชิงเงินมาเป็นสุขเอาเชิงเงินมาเป็นทุกข์เอาเชิงเงินมากลัวเอาสิ่งเงินพาให้กล้าที่จริงแล้วมันไม่เป็นเช่นนั้นชีวิตของเรา ต้องมีอำนาจมีสิทธิที่จะไม่ทุกข์ไม่สุขได้ไม่ต้องมีทาดไม่ต้องเป็นทาตกับอะไรได้แม้ว่ามันจะมีเกมีเจ็บมีตายก็ไม่ใช่เป็นปัญหากับชีวิตเราอาจจะเป็นปัญญาลอยก็ได้มันมีอยู่อย่างนี้ไม่เป็นหมันจริงๆเรื่องเนี้ยถ้าเราปกัดมีสติดู มันก็ต้องเห็นแช่งงั้นเราเป็นตาเืินดูอะไรก็ต้องเห็นเหมือนกันหมดที่เกิดจะขุสัมผัสแด้ไว้แต่ไม่มีตาตาบอดอย่างนี้วิญญาณของตาไม่มีหูหนวกแค่หลงตาเนี่ยวิญญาณของหูไม่มีมันก็ฟังเสียงอะไรไม่รู้วนไปดูคนตาบอดญาต ตาบอดเราพูดเรื่องเขาตาบอดลำคาญเคยดูอะไรเห็นมันมาบอดอล้วก็ลำคาญใจเราก็บอกว่าอย่าเอาตา ม, มาเป็นเรื่องของใจจะให้ใจไปเกี่ยวข้องกับอะไรบางปดบังได้ใจเนี่ยต้องบริสุทธิ์ต้องปกติอยู่ตาบอดก็ดีคณะรัฐบาล น, นี่ตาบอด เป็นพระหรหันดอย่าเอามาลงโทษตาบอดมันก็สบายแล้วไม่ต้องดูอะไรถ้อาอยู่มีลูกมีเมียอยู่เขาก็ดูแลเราอยู่มันอย่าให้มันบอดทางใจเอาตามาเป็นทุกข์ใจเอาเสียงมาเป็นสุขเป็นทุกข์ใจเอารถมาเป็นสุขเป็นทุกข์ใจมันไม่ถูกท้อง ถ้าเราหัดมันกเป็นเชิง ด, ด้านแต่ถ้าเราผูกขาดเรามันไม่เกี่ยวข้องกันเลยมันก็จิตใจก็เป็นจิตใจถ้าเ ป, ถเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะตาเพราะหูเพราะจมูกเพราะลิ้นเพราะกายสเสมือนกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่มีเมฆบงังเราก็มองว่าดวงจันทร์มืดแสงอาทิตย์มืดเพราะเมฆบงัง หรืว่าความมืดที่เกิดจากเมฆนั้นมันไม่ใช่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่ดวงจันทร์มันก็มีความสุขที่เกิดจากก่อยจากใจเหมือนความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายที่มันเกิดมาถึงใจมีความสุขเพราะตาเพราะหูเพราะจมูกเพราะลิ้นเพราะกายเหมือนเมฆเงาเดก้อนเมฆใจมีความสุขเพราะ ก็พอหูพ่อจมูกโ่อรินพ่กายอันนี้ว่าอาศัยก้อนเมฆสุขพ่อาศัยก้อนเมฆทุกข์พ่อาศัยก้อนเมฆมันไม่กีลังยั่งยืนให้มันเป็นของมันเองไม่มีอะไรบดบังไม่ต้องอาศัยนิมิตใบนอกเงาอยู่ในตัวมันได้จึงมีจิตเนี่ยเห็นเนี่ย เห็นเนี่ยาเห็นไม่เป็นเนี่ยนันเป็นอิสระของกิตด้เห็นเป็นเรื่องของตาในเปนสุขเป็นทุกข์ที่เกิดจากตาจากหูจุกดิ้นนั่นนั่นละร่มเงาของคนเมฆก็ไม่หลงได้หลงสุขหลงทุกข์ได้เพราะตาเพราะหูแล้วมันก็มีอยู่กับทุกชีวิต อะไรเกิดขึ้นก็รู้สึกรู้สึกเนี่ยมันเป็นจิตรวนรุนจิตใจของเราเนี่ยมันเคยรู้สึกตระลึกได้อยู่เขียวขงกับตากับหูกับจมกูกเล่นกันเป็นใหญ่เอาไปเอามาก็เป็นใหญ่จิตนี่เป็นใหญ่สําเร็จก็จิตพอไม่ปึะหัดก็เป็นใหญ่แบบป่าเทอน เป็นความทุกข์ก็เป็นใหญ่บังคับทุกอย่างได้ความสุขก็เป็นใหญ่อะไมันเถื่อนเป็นอวิชชาใหญ่ของจิตนี่คือไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรอันความเป็นใหญ่ของจิตก็ไม่เป็นอะไรอะไรเนี่ยเราว่าเป็นความหนเหมือนหมย ตัวไม่เป็นอะไรเหมือนแข็งเหมือนเพชรตัวไม่เป็นอะไรเนี่ยมันทะลุทะลวงมืดทึบทุกอย่างได้จึงเป็นสกุลแต่ความไม่มีไม่เป็นอะไรกับลายเนี่ยสองจิตเนี่ยมาตรถานถ้ามันเป็นโชคเป็นทุกข์ด้วยไม่มีมาตรฐานแค่ยานยังไม่ได้มีพภาละอยู่ภาละที่เคยกับใจอยู่ ถ้ามีภาระอยู่ก็เรียกว่าปุตตชนถ้าหมดภาระลงแล้วก็เรียกว่าอริยะบุคคลวางลงแล้วหมดภาระแล้ววางลงแล้วจิตของเราถึงได้ซึ่งภาพที่ไรปุุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปแต่งให้สุขให้ทุกข์ไม่ได้แต่งให้เป็นอื่นไม่ได้ มันถึงแล้วทึ้งสภาพที่ไหลพุ่แต่งมาได้อีกต่อไปมันชิ้นแล้วสิ้นพบสิ้นชาติที่เป็นสุขเป็นทุกข์มันก็เป็นไม่เป็นอะไรเมื่อไม่เป็นอะไรกับอะไรมันก็อยู่หนัวการเกิดเจ็บเจ็บตายอาศัยการเกิดเจ็บเจ็บตายเพื่อขึ้นฝั่งที่ไม่เป็นอะไรถ้าไม่มีการเกิดการเจเ็บการปีกกำตายมันก็ไม่รู้จกฝัง มันเป็นอะไรอยู่ก็มีความสุขความทุกข์ควมรักวมชังมันแหละเหตุที่มันเกิดเจ็บเจบตายมันเกิดดับเกิดดับต่อมาสุกมันทุกอยู่หรือว่าอยู่ในห้วงน้ำเกินวัตตะเราจึงอาศัยเหตุปัจจัยนี้เอามาฝึกปฏิบัติถ้ายังมีหลงอยู่ก็แสดงว่าเราต้องฝึกให้รู้ ก็งมีทุกข์มีสุขอยู่ก็ต้องพวกให้รู้เปลี่ยนมาเป็นตัวรู้ว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับขากับใจที่เป็นสุขเนทุกข์เปลี่ยนมาเป็นตัวรู้สภาวะที่รู้สึกตัวีนเรื่อว่าเทียบท่าเห็นตเห็นแล้วก็เทียบท่าถ้าเป็นเรายังลอยคอเป็นสุขก็ยังลอยคออยู่ เป็นทุกข์เราก็ยังลอยคออยู่ว่าเราอยู่ในห้องน้ําขึ้นไม่ได้แต่เกียงตะกาอยู่เช่นนั้นก็ได้เห็นแล้วก็เทียบผ้าได้ไม่เป็นแล้วก็ขึ้นฝั่งได้สบายวันโชคเขมันโทษเห็นเทเด็กเกิดทุกข์เห็นความหลับทุกข์ก็ขึ้นฝังได้ไม่มีปัญหาเลยงั้นพระารีเจ้า จงมาถึงที่ไม่มีน้ำพระอรหันตตะโกนบอกเราอยู่จงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำบางทีพระพุทธยจาก็เรียกว่าสุขทุกข์นี่เป็นห้วงน้ำโอกาเรามีสุขมีทุกข์อยู่ด้วยมีเกิดมีเจ็บมีเจ็บมีตายขออย่าได้พูดอะไรเถอะพวกเราให้ได้พูดแต่เรื่องน้การให้ฟังแต่เรื่องนื้อการจะได้ใส่ใจ วันนี้ก็ไปแสงทางมที่วัดโมกมีคณะบอดีมาหาวิไลคณนอาจารย์ต่างๆมาทอดผ้าป่าสร้างที่พระไคกอบาชิกาวัดโมกขอสนับสนุนเป็นสาสนวัตถุมันก็จำเป็นเี่เรามีสัวใจนั่งอยู่นี้ก็จำเป็น มีผ้านุง่งห่มก็จำเป็นมีอาหารการกินก็จำเป็นเฉนาสะนาสะสปายะมีที่อยู่อาศัยบ้างอาหารแสปายะมีอาหารจินบ้างบุคคลและสปายะมีเพื่อนมีมิตรปอเทียแนะนําสังสอนขี่แนะนําอะไรบ้างมีธรรมะอันเป็นความถูกต้องบ้าง ที่ให้ชัดหลงไหลบ้างใจเคลื่อนช้าก็จําเป็นโดยพพเพราะในเรื่นี้อยากสนับสนุนผู้หญิงให้สะดวกผัวผู้ชายมาสมั้ก่อนก็มีพระ อ, อ, อนุนนะขวัญขว่วยเรื่องผู้หญิงเรนี่ให้ขอให้พวกเราเป็นพระสงฆ์เนี่ยขนัขว่ยเรื่องผู้หญิงว่าง เอาใจใส่ก็บ้างพวกเราก็เชืช่อมแข็งอยู่แล้วจะเป็นผู้ชายอวสุกเนี่ยแล้วก็โดยพวกมหายาอนเนี่ยผู้หญิงนี่แข็งแรงกว่าภิกษุณีนี่แข็งแรงกว่าพระสงฆ์มหยาย่อนนะเชืมแข็งการเผยแผ่ศาสนาในภิกษุณีนําหน้าพระสงฆ์ตังอาศัยภิกษุณี เป็นเจ้าสำนักเฉยๆแต่ภิกษุณีเป็นผู้ที่ทำมาลออกเผยแร่ประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่ยอมรับภิกษุณีแต่ไม่มีภิกษุณีในเมืองไทยแต่ว่าให้เป็นสถานที่อยู่นานาชาตินักบวชทั่วโลกมาอยู่ได้พราะเป็นไปได้ไหมสุโกโต่ว่าเราก็มีความ สามารถน้อยๆแต่อยากให้เป็นฝ่ไปเลยก็เลยสนับสนุนคณะบอดีเข้ามาสร้างที่อยู่ให้อุบาจิกาว่าขอสร้างสนุนอย่างนั้นนั่งอยู่เนี่ยผู้หญิงมากกว่าผู้ชายตอนเข้านาำแจงได้จากผู้หญิงเยอะแยะสร้างบ้านสร้างบานเนี่ยกติทุกหลังเนี่ยมักจะเป็นผู้หญิงมาเป็นเจ้าภาพ พระสงฆ์ก็เมีที่อยู่สู้ผู้หญิงไม่ได้ค <c oughs> ต, ติผู้หญิงแน่แล้วก็ทําดีกติผู้ชายอาจารย์ตุ้มทําให้บันไดลีงรู้จักบันไดเลียงไหมโหนขึ้นไปอาจารย์ตุ้มทํากติผู้ชายพระเสองหน่ยว่าบันไดลิงแดีวป่าไปค่อยโหนขึ้นไปเอาน้ามองซ่อมก็ เราชอมากมากมากก็ก็ยังขออยูด่ได้นะถ้าที่อื่นไว้สนับส น, นุนขอให้หมาที่นี่ถ้าเป็นวาชิกาก็ได้เป็นนานาชาติก็ได้นี่ก็เลยว่าเสนาสนาะสัพเพชะก็จำเป็นอาหารแสัพเพชะ บุคคลสัพเพเหตมีผู้บอกมีผู้ฟังมีผู้พูดบา้างแต่พูดเรื่องอื่นนั้นก็ไม่ชัดเจนไม่ตรงในพระสูตรเนีปฏิบัติตรงไ ม, ม่นตรงคนอื่นบอกเราบ้างเราก็ตรงบ้างความหลงก็ตรงไปหาความรู้อย่ามาเสียเวลาเพราะความหลงเข้ามาทุกก็ตรงไปหาความรู้อย่าใเสียเวลาเพราะความทุก ก็มโกรธก็ต้งมาหาความรู้อย่าเสียเวลาพรู้คนโกรธวิตกกังวลเศร้าหมองความรักความชังตรงมาหาความรู้ย่าไปเสียเวลากับความรักความชังควาค ว, าวาิตกกังวลเศร้าหมองปฏิบั ต, รตริให้ตรงผู้ใดปฏิบัติตรงอย่างนี้เรียกว่าเป็นสงไปพุทธศาสนาะนั่นแหละคือสองนั่นแหละคือพระสง์ ที่เกิดจากพระัิธรรมประกอบด้วยคนมีการปฏิบัติดีเป็นต้นสัิธรรมโชสุปฏิปฏิคุณาหิยุตูประสงค์เกิดจากพระศิธรรมไม่มีที่ใดสวดว่าพระสงค์เกิดจากบวชจากกุปชาในโบสถ์ไม่มีนี่แต่พระสงค์เกิดจากพระศิธรรมมีการปฏิบัติดีปฏิบัติงปฏิบัติตอทุก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 ความทุกข์หลกไม่ได้ความโกรธหลกไม่ได้จะตะปัญญาติละคะณะตัลินญาแกแกงได้ไม่เป็นดุ้นเป็นก้อนนี่เป็นธรรมชาตินี่เป็นอาการความร้อนเป็นธรรมชาติเป็นอาการความหนาวเป็นธรรมชาติเป็นอาการความหิวเป็นธรรมชาติเป็นอาการทุขทุกข์ที่เกิดกับใจเป็นธรรมชาติเป็นอาการ ไม่ใช่ใจอะไรที่มันเกิดขึ้นมาปลอมๆไม่ใช่ของจริงทางจิตของเราเนี่ยแบบพัดสอนผ่องใสแต่สิ่งที่จอนมาทําให้เปื่อเพื่อนอารมณ์ไม่จิตใจเปื่อเพื่อนทําให้เศร้าหมองไม่ใช่ธรรมชาติของจิตเป็นอาการที่มันจอนมาเป็นขั้งเป็นข่าวถ้าเราไปเป็นสุข พอสิ่งที่จรมาเป็นทุกข์พอสิ่งที่จรมาเดี่ยวเราต้อนรับมันเมื่อต้อนรับมันก็มาบ่อยต่อซักสะพานออกบอกขึ้นนี่คือปริญญาบอกขึ้นรูแจ้งยาตะปิญญาติขณะปรญญาแก่แกงเอาแล้วก็พานะปัญญา ทำให้หมดไปได้ความหลงหมดไปพรับเดียวความทุกข์หมดไปพรับเดียวความโกรธหมดไปพรับเดียวเรื่อปัหาหนปัญญาทําให้หมดป่อยพ้นป่อยผ่านไปได้ผ่านความหลงผ่านความโกรธผ่านความทุกข์เพราะทำไมจึงผ่านเพราะตรงนี้เป็นอกุศลตากเงาของอกุศลมันก็ไปไกล ถ้าไม่ผ่านมันจะมาก่ออยู่ในไปไกลอย่างลึกเป็นเปรเป็นชุลกายเป็นพพเป็นชาตินี่เราจะมาเห็นตรงๆอย่างนี้มันหลงรู้อย่างเนี้ยถ้ามีความรู้เป็นฐานว่หลงก็จะเป็นคิดทิที่จอนมาได้ไม่มีเจ้าของเป็นสาธารณะเกินไปอะไรไม่มีเจ้าของเช่นรถหลอบ้านช่อง ลเลกสวนเล่ยนาไม่มีเจ้าของมันก็เหลืออยู่ไปได้มันก็หมดไปไดู้กทําลายไปได้ชีวิตของเราไม่มีเจ้าของเจ้าของก็คือเถื่อนเถื่อนเช่นขวบหลงเป็นเจ้าของกอดใจอะไรก็หลงออกหน้าออกตามันก็เถื่อนได้เป็นทุขเป็นทุกข์ได้เคยเจ็เจ็บต่อได้ ถามีสติเป็นเจ้าของมันก็ปลอดภัยตัแลคลุ้มครองด้มันทุกข์มีสติไม่ทุกข์มันหลงมีสติไม่หลงมันโกรธมีสติไม่โกรธลากเงาตัว น, นี้ก่หมดปอยกลายเป็นกุศลขึ้นมาไม่ทุกข์ไม่โกรธไม่โลภ ไ, ไ, ไม่หลง เมื่อมีไม่หลงไม่โกรธไม่ทุกข์มันก็เป็นลกเงาอานกุศลกุศลอุณที่ยังมาเกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วจะลอยเบาขึ้นจนถึงมักผลนิพพานเลยทีเดียวพวามไม่หลงนะแล้วเออโทษจะควมรู้สึกตัวนี่ยหัดให้มีหัดให้เป็นไม่เจ๋งในตอนที่มันหลงประสบการณ์ในตอนที่มันหลงบทเรียนในตอนที่มันหลงไม่มีใครเจร๋งให้เราเราต้องเก่งเราเอง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 พอใจในความโกรธจนทําตามความโกรธพอใจในความทุกข์จนทําตามความทุกข์ห้าตัวตายพอใจในความทุกข์ทำลายตัวเองทําบายคนอื่นได้มันมีอสสาทะเหมือนกันถ้าหลงมากๆอวิชชาปิดบังห้อยโลมืดทึบมันก็จําอะไรไม่ได้มืดไปหมดเลยเห็นผิดเป็นถูกเห็นหงูเป็น เห็นกงจักเป็นดอกปัวงั้น ก, ก็ทมเป็นภาพสนนโลกเอากงจับที่มันหมหนติ้วมาผุนหัวตัวเองยังจับมาผุนหัวตัวเองอยู่ปั่นจนลวดก็เลนไปยังเอามาจับมาใส่อยู่ประดับใบบนหัวตัวเองโอ้ใจในความโกรธนอนอยู่ควงโกรธข้ามวันข้ามเกินมีไหม <laughs> โอ้ใจ่ในความทุกข์อออยู่กับความทุกข์ข้ามวันข้ามคืนทำไมจึงทำงานทำไมจึงว่าจากนี้เอามาอยู่ด้วยเอามาทำไมทำไมทำไมทำไมเอามาจาึง ท, ท, ท, ทำอย่างนั้นทำไมจึงทำอย่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้เจ็บปวดทเทตลอดก็เอาทำไมทำไมลง อ, ออกลงไปจนล้มห้อจนหมดสภาพรอยใครลจะทำลายตัวเองคนเรานีย่ยแหละ ใครก็ช่วยเราไมา่ได้ต้องหัดช่วยตัวเองฝึกหัดตัวเองอันนี้เราก็มาศึกษากอันนี้กันมีนิดหน่อยไม่เหมือนการสอนแบบอื่นการสอนแบบอือนบบอ่นเข้าชานแข่งขันกันนั่งนิ่งในลาบจา ก, กัลละปอกเลขปอกหอัวอ่ามีอะไรต่างๆ หาลาวสักระเสียงเสริญเญยนยอมีพวกพ่องมลิวานเป็นเจ้าระทิไม่ต้องการไปเจ้าระทิไม่ต้องการเป็นอาจารย์ของใครไม่ต้องการปกครองใครไม่ต้องการให้คนนั่งอยู่ไม่ต้องการให้คนมากราบมาไหว้าต่มาที่นี้นะไม่ต้องไปกราบไปไหว้ใครเลยมาอยู่เพื่อปฏิบัติเท่าไปเลยให้มันตรงมาอย่างนี้ ไปบอกสำนักงานนรามีอยู่แล้วที่ลงทะเบียนที่รับของขืนของของใครของเราไม่ต้องซื้อไม่ต้องขอให้ได้เลยให้ที่นอนให้เสนาสนะให้อาหารตีละครังไปกินไปฉันได้จากงดงามไม่ต้องเปลี่ใจใครไม่ใช่ใครหาหมา เราตั้งอยู่นี้ไม่ได้ทํามาค้าขายไม่ได้ทําไรทำสวนมีคนนามาให้เราเพราะทําไมจึงก็ให้เราเพราะเราทําความดีความดีเกิดขึ้นลหลายหคนเห็นแมช่ชีเหน็นพระสงฆ์เห็นยอดโจง ม, มาทําความดีเนี่ยเห็นของเรามาตรงๆงอย่างนี้ไม่ต้องไปกราบไปไหว้ ต่อว่ยก็เคารพให้ทําอยากให้ตัวเป็นทุกข์ต่อว่ายตัวเองได้แหละดีที่สุดอารว่ายคนอื่นแล้วตัวเองยังเหลวไหลยอยู่ไม่ปเป็นส่วนเลยต่อว่ยตัวเองได้ไปทำความดีนั่นแหละช่วยกันแหละช่วยชาติช่วยศาสนาแล้ว